การปฏิบัติคือการเดินทางเราจาเป็นต้องมีแผนที่มีเส้นทางที่ถูกต้องซึ่งเราจะต้องทำควบคู่บนไปเสมอในแง่อารมณ์ปฏิบัติเราต้องมาตั้งข้อสังเกตว่าทำไม คนทั่วไปที่ชาวพุทธของเราเนี่ยเวลาเราให้ทานเราก็รู้สึกทําได้มากกว่าการรักษาศีลเวลารักษาศีลก็ทําได้น้อยกว่าการให้ทานแต่จะทําได้ง่ายกว่าการภาวนาพอมาถึงเรื่องการภาวนาก็จะทําได้ยากกว่าการรักษาศีลและการให้ทานรู้สึกเหมันไม่สนุกเพราะอะไรในการให้ทานการรักษาศีลก็ เรียกว่ามันเป็นขั้นบันไดขึ้นมาจำลำดับเหมือนเราขึ้นบันไดขั้นต้นๆก็ขึ้นง่ายนะพอขึ้นสูงขึ้นไปก็กําลังก็จำใช้กําลังมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรก็เพราะว่าการทําสิ่งที่ไปศึกษากับความจริงของชีวิตเนี่ยมันไปเป็นการอืมไม่ใช่แ่ว่าทวนกระแส โทนกระแสของกิเลสซึ่งกิเลสมันไม่ชอบเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็รู้สึกมันจะต้านกิเลสเราจะต้านรู้สึกมันยากมันหนักมันเหนื่อยคนก็ไม่อยากจะทําแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการให้ทานมันไม่ค่อยทนกระแสเท่าไหร่มันได้สนุกสนานได้เพลิดเพลินมันก็ถูกต้องตามกระแสกิเลสที่มันต้องการมันก็รู้สึกว่า ทําได้ง่ายหรือเมื่อเราอยู่ปกติธรรมดาแล้วก็บอกว่าเข้าภาวนาเนี่ยพอพูทธะเข้าภาวนาปฏิบัติเนี่ยจะรู้สึกจะยากใจขึ้นมาทันทีแต่บอกว่าอายู่ปกติธรรมดาไม่ต้องทําอะไรตามสบายตามสบายเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะมันไม่ต้องทวนกระแสมันเป็นไปตามกระแสกิเลสอยู่แล้วอันนี้มันเป็น มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเลยทีเดียวเนหะ <c oughs> มือนกับเราว่ายน้ำ <c oughs> ตามกระแสเนี่ยรู้สึกสนุกสนานล่องแก่ ง, ล, งล่องเรือนะไปตามกระแสน้ำสนุกสนานแต่ถ้าเม่ไรมีการว่ายทวนกระแสหรือว่ายเรือทวนน้าเนี่ยโอ้หรู้สึกมันหนักมันเหนื่อยสายตัวแทบขาดนะตัวอย่างที่เป็นรูปธปรรมเหล่านี้จะทำให้เราเห็นว่า การปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องธรรมดาของอันทั่วไปในการทวนกระแสกิเลสถึงทวนกระแสของความเคยชินเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่ท่านบอกว่าถ้าผู้ใดทำได้มันก็จะทำให้สบายไปไปเรื่อยสบายไปในวันข้างหน้าแต่ที่นี้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อย <c oughs> ต้องการที่จะเห็นความสบาย ข้างหน้าแต่อยากจะมีความสบายข้างหน้าแต่มองไม่เห็นเพราะเห็นความสบายเฉพาะหน้าดังนั้นเองสำหรับนักภาวนานั้นก็คือผู้ที่ต้องการความสบายไปในวันข้างหน้าแต่อาจจะไม่เห็นความสบายเฉพาะหน้าเพราะความสบายเฉพาะหน้านั้นเป็นเรื่องของอมายาที่หลอกให้จิตของเราได้สบายไปเหมือนกับได้กินของแสลง ได้กินของอร่อยแต่ว่าในวันข้างหน้าแล้วมัน <c oughs> ของอร่อยของสแสลงก็เกิดผิดโทษแต่ที่เราเห็นประโยชน์ในวันข้างหน้าแต่อาจจะไม่สนุกเฉพาะหน้าก็เหมือนเรากินยากินยานี่มันจะขมจ ะ, จ, ะจะเฟื่องจะเคืองจะเจ็บแต่ในวันข้างหน้าโรคมันหายแต่เฉพาะหน้ามันอาจจะไม่อร่อยนะ อันนี้ก็คือกฎเกณฑ์ของรูปธรรมตามธรรมาชาติมองเห็นได้ง่ายอแต่ผู้ใดก็ตามที่ได้เห็นประโยชน์ในส่วนนี้แล้วทําความยินดีและพอใจในสิ่งที่มันยากในสิ่งที่ทวนกระแสคนนั้นก็จะมีได้พบกับความสบายในวัดข้างหน้าเหมือนก็ขึ้นสู่ที่สูงอ <c oughs> ขึ้นบันได้ก <c oughs> ็คือจะดได้พบกับบ้าน จะได้พักผ่อนนอนสบายหรือขึ้นสู่ภูเขาเราก็จะได้เห็นที่วิสัยทั์กว้างขวางออกไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> นี่คืออันนี้สงูงที่เรายากแต่ต้นมือคือฝืนฝืนกระแสอัะนั้นในช่วงเช้านี้เราสวดเรื่องของ สัมปชัญญปาภะกับอีเดียปัฏฐปาภะที่เราสวดไปซึ่งเป็นตัวบทช่งชวงเช้าที่จะนำมาวิเคราะห์ซึ่งเมื่อวานเย็นนั้นสวดเรื่องอนาปนาสติ16ขั้นซึ่งก็ได้วิเคราะห์กันไปเป็นช่วงเย็นเป็นเรื่องของอารมณ์ปฏิบัติช่งชวงเช้าก็จะมาดูตัวบทควบคู่ไปกับการอารมณ์ปฏิบัติ นันในก <c oughs> ารที่เราสวดว่าขัชนโตวะขัชามิติปชาาตินิสินตโตวะธิตโหมหิติปชาาตินิสินโนวนิสินโนมหติปชาาติสยานโนวะสยามโหมหิติปชาาตินี่บทสี่ว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อเราเดิน นะอยู่ก็ให้รู้ว่าเราเดินเรายืนเดินนั่งนอนเรามีการยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้ว่าเรากาลังยืนเดินนั่งนอนทีนี้ในทั่วไปไม่มีใครปฏิเสธว่าตัวเองไม่รู้สึกตัวจริงๆว่าได้ยืนได้เดินได้นั่งได้นอนนะ คือมีการยืนเดินนั่งนอนอยู่แต่ไม่รู้ว่ากําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนถ้าไปถามคนปกติธรรมดาที่เขาไม่ได้ปฏิบตัติว่าคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังเดินกําลังนั่งอา้าทําไมจะไม่รู้อ่ะฉันไม่ได้เป็นว่าเป็นบอทําไมฉันจะไม่รู้ว่าฉันนั่งเนี่ยเห็นไหมการแค่แค่ตรงนี้ถ้าเราฟังเราก็จะรู้ว่า คุณไม่ได้นั่งจริงๆเพราะคุณนั่งจริงแต่ว่าคุณไม่ได้รู้การนั่งเพราะมันมีคุณเป็นผู้นั่งแต่คุณไม่ได้เห็นการนั่งของคุณมันมีการยืนการเดินการนอนแต่คุณไปรู้ว่าคุณเดินคุณเดินคุณเดินยืนเดินนั่งนอนแต่คุณไม่ได้เห็นการยืนเดินนั่งนอนของตัวเองตรงนี้คือแต่ละเวลาว่าเรานั่งแต่ความจริงมันไม่มีเราเป็นผู้นั่งมันมีแต่รูปกับนาม กำลังนั่งอยู่นี่คือคือความต่างแล้วแต่ถ้าเราว่าเรามีเราเป็นผู้นั่งเราก็จะมีผู้ชอบหรือไม่ชอบนั่งเราก็จะมีผู้ปวดหรือไม่ปวดเราก็จะมีผู้เบือ่อหรือไม่เบือ่อมันจะมีตัวอัตตาขึ้นมาทันทีตรงนี้มันจึงไม่เป็นกรรมฐานเพราะมันมีเรายืนเดินนั่งนอนเมื่อเรามันมีเราบังอยู่มันก็ เป็นสมูทไทยของทุกแล้วเพราะต่อไปมันจะเกิดว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบเราปวดเราเมื่อมันจะมีเราขึ้นมาแต่พอมาปฏิบัติกรรมาฐานท่านให้เห็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเห็นอาการไม่ใช่เห็นเราคือเราเรานั่งขึ้นไปครั้งแรกเนี่ยอาการเป็นไงอาการก็สบายอยู่ พอผ่านไปนาทีสองนาทีนั่งไป น, นานๆไม่ขยับไม่ยื่นขึ้นไหวเป็นไงอาการมันก็จะหนักจะเหนื่อยจะหนืดจะเหน็บขึ้นมาหเห็นทีละนิดละนิดลนิดนี่เราก็เรียกว่าเห็นอาการพื่อแล้วเไปเห็นอาการนี้เราก็จะติดตามดูอาการนี้ไปเรื่อยๆอตัวเราก็หายไปเพราะมันมีอาการปรากฏแต่เมื่อไรเราไม่เห็นอาการเราจะเห็นตัวเราอาเป็นผู้นั่งนั่งสวยหรือไม่สวยนั่ง ฉันสบายหรือไม่สบายฉันชอบหรือไม่ชอบอฉันกำลังจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนิดเดียวเท่านั้นเองนะแค่นิดเดียวระหว่างความต่างระหว่างสัญชาติยานความเคยชินกับความต่างของควาว่ายานปัญญาถ้าเราไปเห็นอาการยืนเดินนั่งนอน่ตัวยานปัญญามันเกิดแต่ถ้าเราไปเห็นเราเป็นผู้ยืนเดินนั่งนอน ตัวสัญชตาตญาณวิปสัญชตาตญาณมันเกิดต่างกันนิดเดียวนะตรงนี้คือความแยบคายที่เราจะต้องศึกษาบ่อยๆที่เฝ้าดูเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าขณะไหนที่สัญชตาตญาณแห่งตัวเราของเรามันเข้าไปขณะไหนมันมีชู้แต่เพียงอาการล้วนๆสองอันนี้มันจะชิงกันเสมอแ่ะ ชิงกันให้เข้าไปแต่เมื่อไรลืมตัวปั๊บตัวเราของเราเกิดเรียกว่าอาวิชชาแต่เมื่อใดรู้ตัวปับ๊บเห็นอาการกำลังยืนเดินนั่งนอนวิชชาก็เกิดสลับกันให้เห็นง่ายๆเลยเมื่อไรอวิชชาเกิดนั่นคือสัญชาตญาณและความเคยชินมันเข้าแต่เมื่อได้รู้สึกตัวเห็นอาการอาการทางกายกับเวทนาบวกกัน เป็นอาการของกายมันจะออกมาในรูปสบายหรือไม่สบายถ้าหากออกมาในรูปของความหนักเหน็บเหนื่อยปวดเมื่อยขัดยออแสบขันก็เป็นทุกขเวทนาที่เราเห็นเพราะนั้นกายกับเวทนาจึงแยกกันออกไม่ได้มันจึงเหมือนบเหมือนเป็นอันเดียวกันถ้าหากกายไม่มีเวทนามันก็เรียกไม่เรียกว่ากายแลาเรียกว่าศก กายหรือรูปที่มันมีความหมายต่ออาจเป็นว่าเป็นชีวิตมันก็คือต้องมีนามคือมีเวทนาเป็นตัวแสดงเพรันตัวแสดงของเวทนาคือเชื่อมระหว่างรูป <c oughs> กับ <c oughs> นามเข้าหากันตัวเวทนาจึงเป็นสะพานเชื่อมท่นั้นเราจึงดูกายกับเวทนาเป็นอาการ แต่เมื่อใดเราเห็นกายกเวทนาเมาื่อใดเราไม่รู้สึกตัวกายกเวทนาที่เรารับรู้อยู่มันก็กลายเป็นเราเติด น, นา ม, มารูปก็ให้เกิดฉันของฉันขึ้นมาทันทีเมื่อไรดเกิดภาะวะฉันของฉันก็เป็นที่ตั้งของอะไรเป็นที่ตั้งของอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีแต่เมื่อใดเราเห็นแต่เพียงอาการอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีที่ตั้ง เพราะเราเห็นเพราะเป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่ใช่เป็นผู้เป็นอาการแต่เป็นผู้รู้ผู้เห็นอาการตัวรู้ตัวเห็นนั่นเป็นที่มาของญาณปัญญาเป็นอาการของศีลสัมผัสปัญญาเป็นตัวอาการของวิชาคือเป็นอาการของความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นอาการของความรู้สึกตัวคําเหล่านี้เป็นคําเดียวกันหมดถ้าพูดในภาคปริยัติเรเป็นวิชาเป็นวิปัสสนาเป็น อ่าตัวยานปัญญาแต่พูดในแง่ของภาษาที่เราสื่อกันได้เป็นความรู้สึกตัวทุกพร้อมเป็นความรู้สึกเห็นชัดเป็นเห็นเป็นอาการไม่มีคําว่าเราของเราอยู่ตรงนั้นตรงนี้คือความแยกายที่เราทั้งสองให้เห็นชัดๆถ้าแยกตรงนี้ไม่ชัดปนฏะิบัติไปเถอภาวนาร้อยวันพันปีมันก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าเพราะมันมีตัวเราของเราอยู่ตรงนั้นอ่ะ เสร็จแล้วในชีวิตประจำวันของเราจึงไม่มีความแตกต่างเวลาเราปฏิบัติเหมือนทีว่าเราจะได้อารมณ์เหมือนที่ว่าเราจะได้สมาธิวิปัสสนาแต่เวลาเราออกจากอารมณ์ไปทำอย่างอื่นดูเหมือนว่ามันหายไปหมดเพราะอะไรเพราะตลอดเวลาที่เราปฏิบัติเราไม่ได้อยู่กับของจริงเราไปอยู่กับของเทียมพอไปออกไปสู่บรรยากาศจริงมันก็อยู่ไม่ได้มันก็สลายไปเหมือนน้ําอ่ะพอเราไปตั้งไว้ในตู้ เย็นมันก็เป็นน้ําเย็นน้ําแข็งแต่พอออกมาจากตู้ เ, เย็นมาล้วมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงมันก็ละลายไปเป็นน้ําเหมือนเดิมเป็นน้ําธรรมดาความเย็นก็หายไปน้ําแข็งก็หายไปนีหมนนายความว่าในช่วงของการภาวนาเนี่ยเราเหมือนกับเราอา ใ, ใจของเราเนี่ยไปสู่อีสภาวะหนึ่งเหมือนในตู้เย็นแต่พอออกจากช่วงภาวนามันต้องผเผชิญโลกกับความเป็นจริงเหมือนกับนําน้ําออกมาจากตู้เย็นความเย็นก็หายไป ความแข็งก็หายไปตราบใดที่เราไม่ประสานทั้งสองส่วนเป็นอันเดียวกันนะมันก็ยังจะเป็นอยู่ยนี้เขาเรียกเป็นสมถะสมถะคือหมายความว่าเราจะต้องอสร้างาความเยน็นความสงบตามที่เราต้องการขึ้นมาสร้างมันขึ้นมามีอุปกรณ์ในการสร้างคือตู้เยน็น แต่ถ้าหากว่าเป็นวิปั ส, สนาเนี่ยเราไม่ต้องเป็นต้องสร้างตู้เย็นขึ้นมาแต่ว่าเราดูความเย็นตาวธรรมชาติเช่นน้ำมันอยู่ในวังลึกน้ำมันอยู่ในบ่อลึกตรงนี้มันเย็นโดยธรรมชาตินะไม่ต้องสร้างมันเป็นเองแังนั้นเวลาปฏิบัติท่านก็เลยเอาตัวบทมาตั้งว่าให้รู้อาการยืนเดินนั่งนอน ว่ามันเป็นเพียงอาการไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแล้วเขาเขาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นเพียงอาการอาการเหล่านี้จําเป็นต้องได้ถูกเฝ้าดูและสัมผัส ด, ดูเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปดูว่าเราเป็นเราเป็นของเราแล้วมันตกอยู่ในอะไรตกอยู่ในอํานาจของขันห้า เราไปจำอาการว่าเรากำลังยืนนะเรากาลังเดินนะไอ้คาว่าเรากำลังยืนเดินนั่งนอนเป็นอาการของอะไรเป็นอาการของสัญญาสังขารวิญญาณแล้วสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นไงมันก็เปลี่ยนแปลงคือมันลืมไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วมันหายไปอาการก็ลืมไปตอนที่เรานั่งปฏิบัติทำไมมันจำได้ดีแนละชดัชดชัดแต่เวลาเราออกไปทาไมมันลืมตรเนี้ ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจให้ชัดๆจริงๆแล้วเนี่ยว่าอาการของรูปเวทนาสัญญาสังขารแบบไหนที่เป็นไปด้วยอำนาจของอวิชาอาการของขันห้าแบบไหนที่เป็นไปด้วยอำนาจของวิชาซึ่งถ้าเราไม่แยบขายตรงนี้ขันห้าของเราก็จะอยู่ใน อาการของอวิชชาดันหาวประธานนั้นเป็นเหตุของทุกข์เป็นสมุทยัยตอนั้นเองหัวขบวนที่สําคัญที่สุดก็คือพยายามกระตุ้นการรู้ตัวแบบเคลื่อนไหวเนี่ยให้เห็นได้เพียงแต่อาการช่วยให้เห็นอาการชัดๆนะช่วยหเห็นอาการชัดๆว่าตัวื่อนเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพลังของความรู้ตัวให้ชัดเท่านั้นเองเนะเป็นเครื่องมือให้รู้ตัวชัด แต่ถ้ารเราไม่เลยเราไม่คอยกระตุ้นมันเนี่ยความเคยชินเนี่ยที่เราเคยชิ น, นสําคัญมันหมายว่าตัวเราของเราเนี่ยมันมันดูดเข้าไปเป็นความเคยชินเพราะนั้นเราสร้างอาการขึ้นมาเนี่ยช่วยมันนะช่วยกําลังเหมือนกับเราสมัยก่อนดบนูบ้านนอกเราจุดตะเกียงไฟฟ้าเนี่นะ ในช่วงไหนที่ <c oughs> ตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยช่วงไหนสแสงมันฟอลงไปเนี่ยเราจะสูบลมอาจจะสูบลมปั๊มเมืข้แบบมันก็สว่างขึ้นมาอแต่พอลมมันเริ่มหมดไปแล้วก็สูบมันใหม่มก็สว่างขึ้นมาใหม่คล้ายๆลักษณะอย่างนั้นอการกําหนดรู้ตัวเคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนการกคล้ายปั๊มกําลังให้มันปั๊มลมให้มันเพื่อให้ความรู้สึกตัวเนี่ยค่อยสว่างชัดเจนขึ้น แต่ถ้าเมื่อไหร่ความสว่างมันลมมันน้อยลงไปไม่มีกําลังมันฝ่อตัวลงความมืดก็เข้ามายึดพื้นที่ล้อมเข้ามาแต่พอเรารู้ว่าอา๋อมันเริ่มสลัวมืดแล้วเราก็สูบลมเข้าไปก็สว่างขึ้นไว้จะเป็นอย่างเงี้ยตราบใดที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนแสงอันนี้ให้มันถาวรเหมือนแสงไฟฟ้าโดยกําเนิดตัวทั่วไปสมัยก่อนเราต้องใช้แบบนั้นอยู่หรือบางที ที่ลหลังยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือเรายังไม่ได้มีจเกียงเจ้าพายุเราใช้เทียนเราใช้ขี้ใต้เราใชา้เทียนขี่พึ่งโอเล่มเดียวมันไม่สว่างเอาอีกเล่มดิก็จุดหลายๆเล่มเพิ่มขึ้นเพิ่มกำลังแสงขึ้นนะฉันใดก็ดีการมารับรู้ถึงความรู้สึก ตัวที่ให้มันเป็นความรู้สึกตัวล้น้นต้องเพิ่มกำลังของความรู้ตัวให้มากขึ้นเหมือนเราเพิ่มแสงสว่างนั้นในวิธีการมีการขอพอเทเถียนเราจึงไม่นิยมที่จะให้นั่งสงบนั่งนิ่งแต่เรามีการเพิ่มกำลังของความรู้ตัวด้วยการรู้อาการให้ชัดชดชดอาการยืนเดินนั่งนอนคูยเหยีดเคลื่อนไหวนะทงที่เป็นอิบทใหญ่อีบทย่อยรู้ลงไปชัดๆ เพื่อปลุกเราให้เกิดพลังของความรู้ตัวเนี่ยให้ชัดเพื่อจะได้ไปเห็นอาการเพื่อไปแย่งเอาเนื้อที่ของความเคยชินทาอะไรตัวรู้ตัวนี่ไม่ชัดเนี่ยตัวความเคยชินมันแย่งเอาไปมันใคร้เหมือนว่าไอ้ความมืดอ่ะสลัวสล ว, สลวมันกินเนื้อที่เข้ามาถ้ากําลังของแสงไม่พอถ้ากําลังของความรู้สึกตัวไม่ชัดเจนพอกําลังของความ มืดของความเคยชินความเคยชินมีหลายแบบความเคยชินแบบคิดความเคยชินแบบสงบความเคยชินแบบติดยึดความเคยชินแบบสุขความเคยชินแบบทุกข์มันจะเข้ามาแต่ถ้าเราไม่แยบคายพอเนี่ยเราก็จะเข้าไปเป็นกับความเคยชินเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวนี่คือสิ่งที่เราต้องต้องแยบคายนะทีนี้ในบทต่อมาว่าโดยอินิบทย่อยอันใช้ก็ว่าอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานาการีโหติ อาโลกิเตวิโลกิเตสัมปัญญากาลีโหติสัมมินชิเตปาสาลิเตสัมชปชานากาลีโหตินะแล้วก็ยาวไปทีนี้ในท่านในทีนี้ท่านใช้คําว่านาิกีขัชชนโตวะขัชามิติปัญชานติบทในอิทิบทสีท่านใช้คำว่าปัญชานาติแต่พอมาในอิทิบทยอยท่านใช้ว่าสัมปัญญากาลีโหติ คำว่าสัมปชัญญการีกับประชาานติที่ต่างกันเนี่ยประชานาติคือรู้ให้ชัดๆเวลายืนเดินเดินแน่น่อยมันหยาบหน่อยหนึ่งคำว่ารู้ชัดหยาบเนี่ยพอคำว่าสัมปชัญญกาลีมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจงทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญกาลีคือรู้ชัดเป็นจุดๆที่เรากําหนดเช่นเรานั่งตรงเนี้ยอาการปวดขานี่เรารู้มันชัดไหมอาการงุ่งเรารู้มันชัดไหม าการสงบหลับตาเรารู้มันชัดไหมถ้ารู้เข้าไปชัดๆแล้วแก้ไขตรงนั้นก็เรียกว่าสำไปเรียกว่าประชานาติแต่ถ้ารู้แล้วไม่ไม่ชัดตรงนี้อวิชามันเข้าแล้วพอวิชาเข้านั่งสมาธิตรงนั้นก็เป็นอวิชาเกิดตลอดเป็นโมหะเกิดตลอดตัวตื่นหายไปมันมันง่ายนิดเดียวนะถ้าเราเป็นคนใฝ่ใจศึกษานะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใฝ่ใจศึกษาตรงนี้ทํา จเจริญสติแทนที่จะตื่นตัวกลายเป็นหลับไหลขึ้นจเจริญสมาธิแทนที่จะตื่นตัวกลายเป็นโมหะมากขึ้นนี่ซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ที่ต้องใส่ใจสำคัญเลยตรงนี้นะเสร็จแล้วมาดูว่าสัมปชัญการีมีความสำคัญมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าขณะนี้เรากำลังรู้สึกอย่างไรในส่วนของร่างกายในส่วนที่มันหนักมันเนบ ก็เป็นส่วนหนึ่งสมมติเรานั่งเนี่ยส่วนที่ขาแข่งเท้โปกมันหนักมันเหน็บใช่ไหมเรานั่งนานแต่พอเราเราเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนปั๊บความหนักความเหน็บความเหนื่อยก็กระจายหายไปเราเคอยสังเกตอีกสักพักหนึ่งพอเปลี่ยนพีบดใหม่ไปสักพักหนึ่ก็เกิดอีกใช่ไหมทีนี้ในส่วนที่มันไม่เป็นเน่ยก็ให้รู้ด้วยนะสมมติว่าในส่วนหัวโดนไหลส่วนหน้าอกส่วนแผ่นหลัง ตัวนี้มันไม่ได้ถูกกดทับเราเห็นมันไหมว่ามันมันเป็นยังไงมันสบายหรือไม่สบายหรือมันเฉยเยแต่การที่ไปรู้จุดที่มันเกิดปัญหาเนี่ยถือว่าเป็นสัมปชัญญการีอยู่นะยังไม่เป็นเออถือว่าเป็นประชานาติคือมายคว่าเห็นมันชัดแต่ยังไม่เป็นสัมปชาญญการีคือไม่รู้ตัวทั่วพร้อมคำว่ารู้ตัวทั่วคือรู้ทั้งส่วนที่มันปวดแล้วไม่ปวดส่วนที่มันเจ็บหรือไม่เจ็บส่วนที่มันทุกข์หรือไม่ทุกข์ส่วนที่ไม่ทุกข์ก็ให้รู้นะ เส้นเอามาันมาเพ่งเฉพาะตนที่มันเกิดปัญหาคือหนักคือเน็บตรงเนี้ยแต่ส่วนที่ไม่เกิดปัญหาก็คือการรู้ต่อการเคลื่อนไหวในส่วนบนการเคลื่อส่วนบนเช่นอะไรหายใจมีอยู่พับตามีอยู่อาการง่วงเหาห่างนอนมีอยู่เราไม่รู้ตรงนี้เราไม่มีสัมบัชานักการีซึ่งตรงนี้คือเป็นโมหะธรรมเป็นอวิชชาเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ ตรงนี้มันมันช่วยไม่ได้จริงๆแล้วแต่ตัวใข่ตัวมันที่จะศึกษานะเพระาะะนนสัมปชัญญะกะลีคือรู้ในส่วนที่มันไม่มีอาการคืออาการมันเบามันเบามากแต่แต่หัวลงมาถึงเซลล์ เ, เนี่ยอาการเย็นล้อนอ่อนแข็งเค็งตึงไม่ค่อยหนักหน่วงใช่ไหมแต่ในช่วงถ้าเรานั่งในช่วงแต่เอวลงไปหาแข่งขาเนี่ยอาการหนักหน่วงหนืดเหนียวหนักหนึบ มันมีอยู่เราก็เข้าไปรู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทั้งสองส่วนแต่ทีนี้การรู้นี่นะถ้ารู้ด้วยการอยากจะให้มันสบายทุกส่วนเนี่ยตรงนี้ต้องระวังมันกันบางทีมันจะเข้าข่ายไปสู่ความอัตติกิลมาฐานุโยคคือไปติดควาสบายเราอยากจะให้มันสบายทุกส่วนเราพยายามปรับให้มันสบายจนติดอ่ะ พอมันเกิดความไม่สบายขึ้นมานิดหนึ่งเรารับไม่ได้ตรงนี้ต้องระวังท่านบอกทางสายกลางคือหมายความว่าในสูนไม่ไม่ให้มันสบายเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ให้มันหนักเกินไปแต่ทางสายกลางหมายความว่าให้รู้สบายก็ให้รู้บางครั้งก็ลองไม่ให้มันสบายดูบ้างเมื่อความไม่สบายเป็นอย่างไรนี่ต้องใช้ตัว อดทนขึ้นมาช่วยบางทีถ้าสมมุติว่าเราจะติดความเบาสบายเกินไปแล้วก็เปลี่ยนกันทุกนาทีอย่างนี้ก็เลิกเราติดความสบายแต่พอเรานั่งไปเป็นชั่วโมงเรายังไม่ยอมเปลี่ยนเลยอันนี้เราก็ติดในความให้สบายท่านบอกให้ดูสายกลางคือหมายความบางครั้งก็ให้มันหนักมันหนืดมันหนักมันหน่วงดูบ้างเป็นอย่างไรเพื่อเห็นชัดบางครั้งให้ก็ขยับให้มันสบายก็ให้เห็นชัดชัดคือให้รู้อ่ะ แต่ถ้าหากว่าเราไปปรับให้มันสบายตลอดเวลาตรงนี้มันก็มีเราผู้เสวยความสบายไปติดในข้างที่กาแมาสขานิการุโยคอาการเขาเราก็อยู่ลุกลก้วุ่นวายตลอดเวลาเพื่อที่จะปรับซึ่งตรงนั้นแสดงว่าเราติดสบายแต่อีกคนหนึ่ง อ, อาการที่เราเปลี่ยนมันสบายกันไปเอาให้มันหนักเหน็บดูบ้างแล้วก็ไปทาเต็มที่เป็นชั่วโมงไม่ยอมเปลี่ยนอันนี้ก็ไปติดในฝั่งตรงกันข้ามอีก ตรงนี้คือความแยบขายนคือการเฝ้าดูฉะนนความเหมาะสมความเหมาะเจาะในการเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นเพราะว่าบางบางสิ่งบางส่วนถ้ามันเป็นไ ป, นปนตามระเบียบมันก็จะไม่ค่อยสบายแต่ถ้าคนตีความสบายกันหมดแล้วก็จัดระเบียบอะไรไม่ได้เพราะว่าจสมมติว่าไปจัดให้ฝรั่งมั น, นั่งผ้าเพียบเนี่ยมันจะนั่งไม่ได้มันก็ไม่ยอมนั่งเพราะว่ามันมั น, ม, นมันปวด หรือจะไปนั่งให้เ้านั่งกับพื้นเขาก็ไม่อยากนั่งเขาอยากจะนั่งเก้าอี้เพราะมันสบายเพราะฉะนั้นพอไปติดความสบายแล้วเนี่ยเราจะจัดระเบียบอะไรไม่ได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคเพราะเราไปติดความสบายแต่ว่าท่านเราให้ทางสายกลางให้ทนบ้างให้สบายบางครั้งบางช่วงก็ <c oughs> สบายคือพอท่านใช้คำว่าพอทนได้อะ่ะท่านไม่ใช้คําว่าสบายหรือไม่สบายพอทนได้เพราะในสมัยครั้งพุทธกาลเวลาเขา ทักกันเขาก็ไม่จอมว่าเป็นไงสบายดีหรือจะไม่ทักกันแบบนี้นะโยมสวนรณาเขาจะทักกันว่ า, าขมานันยังอาบุสุคนตอบ ก, ก็ตอบว่าขมันียังพันตีคําว่าขมันียังนี่หมายความว่าพอทนได้ไหมท่านท่านพอทนไหวไหมถามเพราะฉะนันว่าชีวิตมันทุกข์ตลอดแต่เวลาเขาถามไว้ว่าสวัสดีสวายดีไหมไม่ถาม คำนิยังพันเตคมนิยังอาวุโซอ่าพอทนไหวไหมครับคนได้อพอทนไหวครับ น, นี่ถ้าหากว่าสวัสดีอย่างนี้หมว่ามันสบายใช่ไหมแต่คนไทยเรามาติดสบายก็ทักกันว่าสวัสดีถ้าคนลาวก็สบายดีสบายดีแต่ว่ามันผิดธรรมเนียมของกรรมฐานธรรมเนียมของทางคำนิยังอาวุโซ พอทนไว้ทนไม่ไปก็ผมง่วงเลื่อยินอาผมง่วงแก้มันไม่ง่วงสินี่ก็เรียกว่าเป็นตัวกรรมฐานแต่ง่วงเรายังไม่แก้เงื่อเรื่อกรรมฐานก็หายไปเนี่มันมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเรื่องนี้ต้องเป็นศรัทธาของเราจริงๆนะถ้าเราไม่มีศรัทธาที่จะทํามันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะ่ะเราอย่าไปโทษใครเวลาไปไปโทษครูบาอาจารย์ก็ ไ, ได้เพราะครูบาอาจารย์ถ้าเก็บอกถูกหมดแต่เราไม่ทําตามเราจะไปท่านจะไปช่วยเราได้อย่างไรนะดังนั้นเองต้องทน นะภาวะที่ต้องทนนะชีวิตเนี่ยภาวะที่ว่าขมนิยังขมัทะขมัทธเมทานเตขมทะขมนิยังพอทนไว้ไหมครับทนไหวขอรับนะอันนี้คือคือหลักที่เราต้องศึกษานะเพราะนั้นในช่วงเช้าเนี่ยเราสวดอาจารย์เผะเดภพาสวดว่าคัจชันตัวคัจฉามีติแต่ท่านก็ สวดถูกบ้างผิดบ้างตรงนี้ว่าเมื่อเดินก็ให้รู้ว่าเดินอยู่แต่มันไม่มีคําว่าอยู่ทั้งสองข้างเมื่อเดินอยู่ก็ให้รู้ว่าเดินอยู่เมื่อเดินก็ให้รู้ว่าเดินอยู่ตรงนี้ต้องต้อ ง, งตัวบทให้ชัดทีเดียวในแง่ของบาลีและแปลเนี่ยต้องแม่นยําในตนัวบทจะสวดถูกบ้านผิดบ้างนี้ไม่ได้นะต้องแม่นยําชัดเจนตรงนั้นทีนี้พอมาบทต่อไปท่านบอกว่าภาษาลิเตสัมบินชิเต สัมปชานญการีที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการคู้ปาษาลีนี่คือเหยียดนะสัมมินชีคือเข้ามาปาษาลิเตคือเหยียดคือยกมือออกไปนี่คือปาษาลิเตแต่ประหดเข้ามานี่สัมมินชีเตปาษาลีเตสัมมินชิเตหลวงพ่อเทียนท้าก็เลยมามาประดิษฐ์เป็นจังหวะซะมันจะได้เป็นระเบียบอนั้นมันก็ยกระยงละยิงละยางทั่วไปมันก็จะไม่สวยในแง่ของพยัญชน ะ, นะนะก็ทำป่าษาลีเตคือกัน เหยียดออกปายาเลยปาษาละเอียดออ ก, าาาาอออกสัมบินชะคูเขา้าเพราะว่าปฏิปเป็นนี่ก็เป็นภาษาลิเตบางคนบอกเอา้าวิธีแบบนี้มันไม่มีพระใจผิดกเอามีคุณแปะไม่ถูกคุณตีบทไม่แตกเฉยๆละถ้าคุณตีบทแตกก็ในสนิป ฐ, ฐานสีว่าโดยหมวดสมบัญญัติเนี่ยสมบินชิะปลาษาลิเตนะ่ยก็คือการคูเข้าเหยียดออกการสร้างจังหวะนั่นเองนะแล้วก็ สันใช้คำว่าสังคาติปัตตะบทรมาเทวสังคาติปัตตะจีวรธารณนสัมปชาณากะลีของตุติถ้าเป็นนักบวชก็ใช้คําว่ามีความรู้สึกตัวในการนุ่งเสบุงทรงจีวรห่มสังคาติไปวินทบาทไอนียให้รู้แต่ถ้าเป็นชาวบ้านก็ใช้คำว่ามีความรู้สึกตัวทรมในการแต่งเนื้อแต่งตัวในการหยิบกันฉวยในการเคลื่อนไหวในการาจัด แจงแต่งตัวท่านั้นท่านนี้บิดซ้ายบิดขวาสวยไม่สวยดีไม่ดีเรียบร้อยไม่เรียบร้อยให้รู้สึกสังคาติ ป, ปั ต, ตจีวราธารณีสัมปชาญ ก, การีของวันที่มีความรู้สึกตัวรู้พร้มในการาใช้สอยหยิบหยับจับเฉยอะไรทุกอย่างเนี่ยก็คือปั ต, ตจีวราวันเราก็คือเวลาเราไปเข้าครัวใช่ไหมหยิบซากหยิบโคกหยิบเขียงจับมีดหั่นผักขั้นผักล้างผักพวกเนี่ยก็อยู่ในบทนี้ เอาในวลีไม่เห็นระบุเอาไม่เทาเอาระบุในส่วนที่มันเป็นหลักๆแต่ในส่วนเย่อยท่านระบุได้ไม่หมดเพราะมันเป็นเรื่องของภาษาจะาใสยเข้ามาทั้งหมดก็ไม่หวัดไม่ไหวนะีนี้ในบทต่อมาท่านใช้ค็ว่า อุจาระปัสสาวะกมเมสัมปชานากาลีโหติรายละเอียดไปถึงขนาดนั้นนะอุจาระปัสสาวะกมเมัมพรานวันรนึหติรายลห้อน้ํ า, าห้องมนาดนั้นนะอุจาระปัแตาละครมสัมปชานากาใช่หต๊รายละเลยจะไปถึงขนาดนัยนน่อุ่าระปันจะต้องมีอาการปรากฏก่อียนาดนั้ะอาการะักอาการเบาปรากฏก่รนโหติราเริ่มกําหนดรู้ละอารู้สึกสักปชานักทีนี้เราก็ต้องดูลีึีว่าหนักระดับารีปยเราจะไปหรือไม่ไายละทีมันแค่ ปวดเบาๆอ่อนๆเราก็ทนได้เขาไม่ได้ยั้งไปก่อนทําอะไรไปสักพักแต่รู้สึกอาการมันแก่ขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มกําหน ด, ดรู้ว่าเราจะไปอย่างไรเริ่มหมุนซ้ายหรือมหมุนขวาบิดซ้ายเรือบิดขวาที่จะเดินไปเดินไปกําหน ด, ดรู้อย่างไรเนี่ยเริ่มที่นี่เราเคยบ้างไหมที่จะรงดับอาการอย่างนี้ยมสุวรนะไม่ไฉันรู้จักว่าไม่รู้สึกหนักฉันก็พลวดไปทันทีแล้วบางทีเปิดประตู ด, ด้านไหนมือข้างไหนยังไม่ได้รู้ เออเปิดผ้าเปิดเชียรตอนไหนยังไม่รู้เลยรู้ตรงที่มันรู้สึกสบายแล้วเท่านั้นแหละสบายตัวแล้วเนี่ยเราข้ามอะไรละเอียดเหล่านี้หมดนะเพรา ะ, ะนั้นถ้าใครเก็บรายละเอียดเหล่านี้ได้เอามามันมันชอบตรงเนี้ยชอบตรงที่ว่าชอบเก็บรายละเอียดในการเจริญสติรู้สึกว่าปวดเบาเนี่เอาเป็นโอกาสที่เราจะได้เจริญสติแล้วทีนี้เอาดูดูไม่ใช่ไปทันทีนะดูอาการเบาที่มันกำลังเกิดเนี่ยเราทนได้หรือไม่ได้ก่อนจนกระทั่งไม่ใช่ว่า ปอให้มันเต็มที่จนเป็นโทษกับเราอันนั้นก็ไม่ได้หรือไปทันทียังไม่มีอาการหนักเลยก็ไม่ถูกต้องพอทนได้เสียก่อนไม่เพราะว่าไม่ทนและทนไม่ได้เนี่ยเป็นภาวะที่สุดตรงคือไม่ทนเลยอันนี้ก็ภาวะสุดตรงทางอาตากิริมานทานุโยกจนทนไม่ไหวนี่เป็นภาวะที่ไม่ทนเลยเป็นภาวะกามาสุขาริการนุโยกหรือทนจนไม่ไหวนี่ก็เป็นอาตากิริมานทานุโยก พราะคว่าพอทนได้นี่เป็นมัชชิมาปฏิปทาในทุกทกิจกรรมทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ดูว่าอันไหนที่มันทนไม่ไหวอันไหนที่มันไม่ทนอันนี้ปวดเมือ่อยอะไรนิดหน่อยก็ไม่ทนแล้วอันนี้คือว่าการมัสุขาีติดความสบายพวกนี้ก็จะปฏิบัติก้าวหน้ายากเพราะอะไรเพราะเหมือนกับเราถ้าปี๊บเสียบเหมือนอาหารนะ่ะ อาหารที่มันเย็นไม่ได้คุกมันสูงไหมถ้าคุกต้องใช้ความร้อนใช่ไหมแต่ ถ, ถ้าความร้อนมากเกินไปเป็นไงมันไหมหรือน้ํามันแห้งเราก็ต้องพอดีทีนี้ไอ้ตัวอาตาปีตัวเนี้ยจะบอกให้เราว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่ยอมทนเลยก็ไม่ถูกนะแล้วคุณทนจนกระทั่งมันไหมเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะคุณทนพอทนได้ตรงนี้เรียกว่าอาตาปีอาตาปีมันเต่าที่จะปรุงเพราะนั้นเราต้องทนบ้าง ทนให้มันเจ็บทนให้มันปวดทนให้มันเมื่อยบ้างเพื่อให้อะไรภาวะที่จิตมันรู้จักทนตรงนี้มันเริ่มมีพลังถ้าเป็นอาหารก็มันเริ่มสุกนั่นเองนะเจอรายละเอียดตรงนี้ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานท่านไม่ค่อยลงไปในรายละเอียดหรอกแต่นักปฏิบัติที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ดังนี้ก็ข้ามรายละเอียดเหล่านี้ไปหมด มาถึงพูดบ่อยๆว่านักกรรมฐ า, านมีเยอะนะแต่ผู้ที่จะเข้าถึงกรรมฐ า, านจริงๆถูกต้องนะหาได้ยากเพราะอะไรเพราะข้ามรายละเอียดเหล่านี้ไปครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้มาแจงอย่างนี้หรอกเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันแต่าจะมามีประสบการณ์โอไม่ได้บางคนเขาไม่มีประสบการณ์เขาไม่รู้รายละเอียดในนี้จริงๆเราจําเป็นจะต้องลงในรายละเอียดลงลึกคือแจงให้เห็นชัดลงไปว่าอ๋อแล้วก็บทบาลีเนี่ย ญาติโยมเขาก็ไม่รู้เขาไม่เรียนบาลีมาก่อนหรือพระบางองค์ไม่เรียนบาลีก่อ น, ออ น, ก, อนก็ไม่รู้ว่าตรงนี้บทตีความบทไม่แตกแล้วก็ใช้ไปตรงๆนี่นมันก็เลยข้ามรายละเอียดแบบนี้ไปการปฏิบัติเราก็ไม่เห็นความก้าวหน้าราคะโลภกอเลิกไม่ได้โทสะความหงุดหงิดไม่พอใจก็ปล่อยวางไม่ได้ ความเพลิดเพลินสนุกสนานะในการอยู่การกินการเล่นการติดยิบในรูปเสือกีรต์รถก็จางคลายไม่ได้ยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนี่คือเลิกถึงความไม่ก้าวหน้าในด้านกรรมฐานแล้วการปฏิบัติของเราจะเข้มขนาดไหนจะมีประโยชน์อะไรมันไม่มีเพราะขาดเพราะขาดในการลงลึกในรายละเอียดในการแต่ในนี้จ ะ, จะขาดความแยบคายซึ่งได้กล่าวมาเมื่อวานว่าองค์ประกอบที่ทําให้ก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้ามีองค์ประกอบสําคัญอยู่ สองประการใช่ไหมที่มาบ้านรวมสมส่วนไม่ได้มาแต่ได้พูดให้ฟังแล้วบ่อยๆแล้วละ่ะว่าหนึ่งต้องมีครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงมาพูดให้ฟังอันที่สองเราเข้าใจตามนั้นเราปฏิบัติได้ถูกตามนั้นนี่คือองค์ประกอบแห่งความก้าวหน้าและเราเอาไปใช้ต้องใช้อีกหลักห้าประการหนึ่งต้องจริงจังตั้งใจศรัทธาวิริยะถ้ามีความต่อเนื่องในการรู้สติสมาธิและมีความชัดเจนถูกต้องในการทําคือปัญญา ถึงแม้อ ง, องค์ประกอบสองประการที่ชัดเจนแล้วนะต้องได้ อ, อาศัยหลักการกระทำอีกห้าประการหลักอินทรีห้าหรือพลระหห้า 5. อันนี้ซึ่งได้ได้กล่าวมาเมื่อวานหมดแล้ะแต่วันนี้จะซอยลงในรายละเอียดว่าโดยเฉพาะในหมวดของสัมปชัญญปะปปะฮะมี่กี้เรามาถึงว่าอุจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานกาลีโหดีนะและ้วก็บอกว่า อาขายิเตสาหิเตปีเต ก, ก, ก, ก, เก็การกินการเคี้ยวการริมการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มอันนี้เน้นเวลาเราไปทานอาหารเรากินอย่างไรอาการที่กินเราดื่มอย่างไรอันนี้ยิงกําหนดยากลงไปอีกใช่ไหมโยมมุนทาเออการยินเดินถ้าจะเลี้ยงระดับถึงความ ง่ายไปหายากนะจากอยากไปหาละเอียดนะการรบีบุตรสีหยาบๆยาบใช่ไหมง่ายการเหลวซ้ายหลขวายากมานิดนึงการรู้วิหูเหียวขึ้นไว้ยากขึ้นไปอีกนิดหนึง่งแล้วการไปรู้ถึงการทายอุจจาะเออการรู้ถึงการแต่งตัวการหยิบหับจับเฉย ละเอียดขึ้นีกนิดหนึ่งการเข้าไปรู้ถึงการถ่ายหนักถ่ายเบาก็ยากขึ้นอีกนิดหนึ่งใช่ไหมเห็นที่ความยากอากอยากลงมาถึงละเอียดใช่ไหมพอไปถึงการกินการดื่มการเคี่ยวละเอียดลงไปอีกละเอียดกว่าการที่เข้าห้องน้ำห้องเสว้อีกเพราะอะไรเพราะมันผสมความคือหมายความว่ามันมีโอกาสปฏิบัติการของกีเลสเข้าไปมากขึ้นสัญชาตญาณได้มากขึ้นพอเราไปกินไปดื่มไปเคี้ยวไปลิ้มนี้ มันมีส่วนของความชอบไม่ชอบเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วใช่ั้มมันยากขึ้นแล้วนะจนไปตัวท้ายของสัมมชนะปบพระก็คือเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการนั่งในการหยุดในการนิ่งในการพูดบทสุดท้ายอะนะคาเตนิสินเน่ ภาสิเตตุนฮีพาเวสัมปชนากาลีแม้แต่การนิ่งนะตุนฮีก็ให้รู้แต่บุตรีเวลาเรานิ่งเรารู้ตัวไหมไม่เคยรู้ใช่ไหมว่าเรานิ่งเราหยุดเรายุดเฉยๆนรู้สึกตัวว่าเราหยุดก็ไม่เคยรู้การไปการนั่งการพูดแล้วการพูดเรารู้ตัวไหมเรากำลังพูดขณะพูดนี่พูดเร็วพูดช้าพูดถูกพูดผิดพูด กระโชคโหกห้าหรือพูดนิ้มวนวลเราเคยสํารวจไหมนี่คือตัวสัมพัชัญญะละเอียดลงไปตามลาดับเลยเห็นไหมทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกในส่วนหยาบให้ชัดก่อนและส่วนละเอียดตามลำดับเราจะรู้ไหมไม่รู้อันนี้คือลักษณะของธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านจะตีจากง่ายไปหายากเสมอจากตื้นไปหาลึกเสมอจากหยาบไปหาละเอียดเสมอถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาที่จะทําตาม ถามว่าคุณจะปฏิบัติไปตลอดชีวิตได้คุณก้าวหน้าไหมไม่อย่างมากก็ไปติดแค่สมถะตอนนั้นในนักกรรมฐานในประเทศไทยของเราจึงมีสมถะพวกสมถะามากที่สุดไงปัญหามันถึงเกิดอย่างร้อยวันพันปีแต่ถ้าเป็นวิปัสนาเป็นส่วนใหญ่ปัญหามันจะไม่เกิดไม่ว่าปัญหาในครอบครัวปัญหาในสังคมปัญหาศีนธรรมปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองประเทศชาติมันจะเกิดน้อยที่สุดไม่ใช่ไม่ไมเกิดแต่นี่มันเกิดมากมันไม่ใช่เมืองพุทธใช้แล้วก็เมืองพราหม คือไปทําสมถะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าคนเอเชียของเรามันไม่ใช่สังคมของการเรียนรู้เป็นสังคมของความเชื่อเป็นสังคมของการรับมันจะมีการหลอกลวงการมอมเมาการโปรโมทโฆษณาอย่างรุนแรงพอมาถึงสมัยนี้ก็สังคมพุธเลยไม่สามารถที่จะตั้งรับความเปลี่ยนแปลงได้เพราะในโลกตะวันตกเขามีความแยกขายในด้านวัตถุเพราะเขามาสู่ เรื่องของวิปัสสนาเขาก็ไปได้เร็วเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามในส่วนของคนไทยของเราผู้ที่มีสติปัญญามีความเย็บขายก็มีอยู่เยอะเหมือนกันเทราะฉนั้นพระอริยบุคคลในเพศบ้านเราจึงมีเยอะอยู่กว่าที่อื่นเพราะในบรรดาคนที่เขามีสมถะมากคนที่เป็นวิปัสสนาก็มีเหมือนกันคือหมายความว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาไม่จมอยู่แค่สมถะวันหนึ่งเขาสะกิจใจไอ้ยนมติดไอความสงบนี่มัน เราติดตับมนทั้งหลายปีไม่เห็นว่ามันจะกล้าไปกว่านี้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเอ๊ะเราติดสงบมาทั้งน้นก็ไม่เห็นอะไรมันจะสงบกว่านี้ไม่เห็นมันเลิกอะไรได้มันเกิดออกมาจากตรงนั้นได้เอ๊ะเราก็นั่งหลับตามาทั้งนั้นไม่เห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแล้วเราเคยโลภก็โลภเหมือนเดิมเคยโกรธก็เกิดเหมือนเดิมเคยหลงก็หลงเหมือนเดิมไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงมันก็เลิกตัวนั้นเหมือนกันนี่ในกรณีคนเกิดปัญญานะคนที่ไม่เกิดปัญญาเขาอาอยู่ตรงนั้นนะนั่งหลับก็หลับอยู่ตรงนั้นน่ะสงบก แต่คนประเภทนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอริยะบุคคลในบ้านเราเมืองเราก็พอมีให้เห็นอยู่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับพวกที่เป็นสมถะพวกติดเทวดาติดอินติดพรมก็โอ้นับเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เปรียบเทียบกันไม่ได้อาจจะหนึ่งต่อเกกปอร์เซ็นต์ก็ได้หรืออาจจะสองต่อเก้าสิดเอร์ซก็ได้แต่มันก็ยังน้อยมากไม่เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์นะนี่ถ้าสมมุติว่าเราไม่พูดขยายการลงลึกกว่า น, นี้บางทีเราแจ้งเองไม่ได้บางทีสติปัญญาเราไม่พอนี่คือประโยชน์ของกรเริยนนะมิตร นะั้นั่นเองอัตมาเองได้ได้รับประสบการณ์ละผ่านข้อผิดพลาดเหล่านี้มามากแต่โชคดีตรงที่อาตม า, มาไม่ยอมจะนุ่นอะไรง่ายๆนะก็พิสูจน์ใช้สติปัญญาเต็มความสามารถแหละในการจะพิสูจน์ความจริงเนี่ยเพราะไหนๆชีวิตีนทั้งชีวิตเราทุ่มเทให้กับเรื่องนี้เลยอ่านะฉะนั้นเราต้องใช้สติปัญญาทุกเม็ดเท่าเท่าที่เรามีอยู่ถึงแม้มันจะไม่มากแต่เราใช้มันทุกเม็ด ก็ยังดีกว่าคนที่มีมากแต่ไม่ยอมใช้เลยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นมันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นคนจนนะไม่ใช่ว่าเป็นคนจนตลอดกับตลอดกันนะแต่คนจนบางบางกลุ่มมันกลายเป็นคนรวยก็มีใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนานั่นไอเราสติปัญญาน้อยไม่ใช่จะน้อยอย่างนี้เสมอไปถ้ารู้จักการพัฒนาน้อนนี่มันกายเป็นมากได้ ใช่ไหมไม่โอ้ผมสติปัญญาน้อยผมไปไม่ไหวอันนี้ก็อเรื่อคนที่ยังไม่เกิดตัวการวิปัสนาแต่บางคนมีสติปัญญามากสามารถเรียนเป็นดอกเตอร์ศาสตราจารย์ดำพัะจ้าปิดกอะไรได้หมดแต่มันขาดการพัฒนาที่ถูกต้องกับสติปัญญาน้อยหลุมก็มีเหมือนกับพอ่อเศรษฐีกับเป็นคนจนก็มีให้เห็นเยอะใช่ไหมฉันใดก็ดีนะดังนั้นเราอย่า ไปยึดติดข้างใดข้างหนึ่งแต่ถือหลักของความพยายามเอาไว้หรือหลักของความแยบคายเอาไว้แล้วก็ตัวอินรียห้าต้องใช้ให้ครบแต่บ้านเราเมืองเรามันใช้ไม่ครบใช้แค่ศรัทธาและความเพียรแต่สติสมนีปัญญาไม่ยอมใช้การพัฒนาหรือไม่สมบูรณ์ยังไงนะศรัทธาและความเพียรสูงชั้นจเจ้าของชั้นอย่างนี้อาจจะว่ายัางไงของชั้นดีกว่าก็เลยไม่ยอมการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมใช้ปัญญา ถ้าใช้ปัญญามขาก็จะมีการวิเคราะห์วิจัยฮะเหตุท้าผลท้าต้นท้ปลายแล้วก็เอาไปทําไปลองทําดูแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะอันไหนที่เขาว่าดีเนี่ยเราก็ไม่รับไม่ปฏิเสธแต่เราพิสูจน์ก่อนอันไหนที่เขาว่าไม่ดีเราก็ไม่ได้รับไม่ได้ปฏิเสธเราต้องพิสูจน์ก่อนมันไม่ดีอย่างไรใช่ไหมเขาว่าไอความโกรธไม่ดีมันไม่ดีอย่างฉันจะลองโกรธดูก่อนที่มันเป็นยังไงแล้วก็ศึกษามันไม่ใช่ว่าความโกรธไม่ดีไม่ยอมโกรธเลยอันนี้ก็ไม่ถูกนะต้องโกรธให้ดู ว่ามัเป็นย่างมันมีผลเสียอย่างไงเขาบอกว่าไฟมันร้อนไม่กล้าเข้าหาไฟเลยเราจะรู้ว่ามันร้อนอย่างไงใช่ไหมอ่าเขาว่าความร่มมันไม่ดีเราไม่ยอมร่มเลยเราจะรู้ว่าพิษสงของความร่มเป็นอย่างไรเขาบอกให้ทานมันดีเราก็ไม่เคยศึกษาแล้วมันทานมันดีอย่างไงตรงนี้เราขาดการเรียนรู้ในสังคมบ้านเราเมืองเรามันถึงติดแค่สมถาะไยติดอยู่แค่นั้นบางคนติดจนตาย แล้วมันเกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดประโยชน์เมื่อเกิดปัญหาวิกฤต์มาก็เอาใข่ตัวมันตัวใข่ตัวมันรอดไม่ยอมไม่มีใครมาแทนาแก้บรรลบปัญหาหนีปัญหาอพระสงฆ์เราก็หลบเข้าปาเข้าเขาเข้าทํ า, ข า, ข า, ทาเข้าหิวไปแทนที่จะมาช่วยสังคมแก้ปัญหากันนะใช่ไหมก็แบกแบกดแบกบาตรหนีเข้าไปในที่สุดกันหนีไม่รอดไม่มีข้าวกินก็ต้องออกมาใส่สังคมอยู่ดีนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขดังนั้นในการปฏิบัตินั้นต้องใช้ปัญญาแต่ถ้าเรา ไปฟังในสังคมที่กล่อมให้เราเกิดความสงบเราจะฟังทำนี้ซึ้งเพราะแล้วก็ลึกไปลึกไปนั่นแหละกล่อมมาเราไปสู่ความสงบแต่คนก็ชอบเพราะมันถูกใจแต่อันไหนที่ทาให้เกิดปัญญายเห็นแจ้งแสงสว่างเห็นชัดเนี่ยก็ไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกเออมันมันแรงมันกระแทกกระทันมันกระทบมันจี้มันเจาะมันทะลุทะลวงเราอัตราเราสทนไม่ไหว ใจเราไม่สู้คนไทยเราไม่ชอบนะใครจะมาพูดอะไรแรงๆจี้เจาะกระทอ๊อททะลุเนี่ยไม่ชอบนะเพราะจิตมันอ่อนยอมรับตรงนั้นไม่ได้นะอันนี้เป็นความจริงที่เราจะต้องวิเคราะห์กันให้ถึงแล้วเราจะต้องเป็นนักพิสูจน์นักวิจัยเท่านั้นเราถึงจะเข้าถึงเศจษฐธรรมที่แท้จริงของพุทธเจ้าอถ้าเข้าถึงเหมือนกันแต่ว่าในร้อยหนึ่งเข้าถึงได้ห้าลชั้นสิบชั้นเนี่ยมันไม่คุ้มร้อยหนึ่งร้อยชั้นเนี่ย เราเขาถึงอย่างน้อยเจ็ดสิบแปดสิบชั้นขึ้นไปมันถึงจะคุ้มน ะ, ะเพราะนั้นเราจะบอกว่าเราเขาไม่รู้จักผู้สนาสนาไม่ได้เขารู้จักแต่ร้อยชั้นเขารู้จักกี่ชั้นร้อยชั้นเขาเข้าถึงกี่ชั้นนี่เราต้องพยายามนะดังนั้นเราจะเห็นว่าคำตรัสที่พระพุทธเจ้านามาวางเป็นรัต์เราจาเป็นจะต้องมาขายายทำความเข้าใจให้ชัดขึ้นลักษณะขายายและทาความเข้าใจให้ชัดขึ้นตามภาษา ตำราท่านเรียกว่าอัตถกถาดีกาอนุดีกาอะไรเรื่องภาษาของท่านคือถ้าหากว่าเพราะมันต่างเวลาต่างยุคต่างสมัยถ้าไม่มีอัตถกถาดีกาอนุ ก, กาเข้ามาช่วยมันก็จะเป็นกายเป็นคาถาไปที่เราเข้าไม่ถึงอย่างอย่างทุกวันนู้ก็มีใช่ไหมเลยสวดบาลีเป็นนุกแก่นุขุทองกายเป็นคาถาไปถ้าใครเอามาแปลเขาก็ไปพอใจบอกมันไม่ขลังนี่เขารล้วมันกลายเป็น สถามุมงายไปเลยเพราะเราไม่ต้องการที่จะลงลึกในรายละเอียดนะเหมือนกับว่าคนสองคนคนหนึ่งได้มเมล็ดพืชมาจากอาจารย์คนหนึ่งเอามาบูชาเพราะเคารพในอาจารย์เอามเมล็ดพืชไว้นั้นมาปิดทองขำ่ำเอาตั้งไว้บูชา แต่คนหนึ่งลองเอ า, มาเมล็ดพืชน้ะมาลงดินเพาะดูว่ามันอะไรเป็นเม็ดอะไรกันแน่ปรากฏต้นไม้เกิดงอกแตกงอกแตกกิ่งออกมาแล้วก็ขยายพืชพันธุ์นั้นๆลักษณะของคนสองคนเนี่ยใครจะไปถูกหรือไปผิดพุทธศาสนาก็เหมือนกันมีคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบูชาสวดเป็นคาถาครั้งพระหงษ์มหากาสวดกันเป็นวัดเป็นวินารไอ้คนก็สวดด้วยโลภะจริตแล้วคนไหนไอ้เจ้าของลัที่ก็ เอามาโปรโมทโฆษณาว่าหงมหากะเนี่ยเป็นตัวคาถารักษาความปลอดภัยทําให้ข้าดำคลายรยทําให้ได้มีชีวิตไปเอาคําสอนพระเจ้ามาโปรโมทโฆษณาเป็นพรามไปเลยพระหงุมมหากะาหรือคาถาชินบัญชรใช่ไหมคนก็สวดกันเป็นวักเป็นเวรแล้วก็เอามาจำได้จำแล้วมันไม่เกิดปัญญาแล้วได้ประโยชน์อะไรแต่เราไปว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่า ใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าเราพูดความจริงให้ฟังแต่พอคนที่ผู้รู้เข้าถึงพุทธศาสนาอ๋อเอาเมล็ดนั้นมาเพาะดูว่ามันเป็นเมล็ดดีหรือเป็นเมล็ดรีบถ้าเป็นเมล็ดที่รีบถึงคุณเอามานั่งบูชาทั้งวันคืนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่พอถ้ามาเพาะแล้วมันไม่งอกเส้นเมล็ดรีบก็ทิ้งไปเท่านั้นเองคุณก็ไปหาเมล็ดใหม่ที่ดีฟะใช่ไหมอืม เพราะฉะนั้นนะมาอยากจะเวลาที่เหลืออยากจะลบยกอยนิทานชั้นๆมาขยายตรงนี้ว่ามีลูกศิษย์สองคนไปเรียนวิชากับพระฤาษีใช่ไหมที่นี้แต่ละวันเนี่ยฤาษีท่านพูดไม่มากท่านสอนอยู่คําเดียวสอนว่าทําอะไรให้ทําจริงๆนะทําอะไรให้ทําจริงๆนะมันมีอยู่เจ็ดคำคำพูดนี้นะท่านว่าทํานะ พอพอพูดอย่างนี้เสียแล้วก็พาทํางานทั้งวันทีนี้ลูกศิษย์คนหนึ่งมันก็ไม่พอใจอะไรว่าห า, หาคําพูดแค่เจ็ดคําจะสอนกันเจ็ดปีพอพูดคําเดียวฉันก็จําได้แล้วฉันไม่เสียเวลาเรียนทําไมแต่ว่าเนื่องจากพ่อแม่บังคับให้มาเรียนกะเหรี่ยศตัวนี้จะกลับบ้านก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าเธอจะต้องเรียนกะเหรี่ยศนี้เจ็ดปีนะกะเหรี่ยศจะสอนอะไรก็ตาม ทำอะไรทําจริงๆนะแล้วก็พาทํางานที่นี่คนนี้มันก็ขี้เกียจหน่อยนะหนักไม่ค่อยเอาบอกไม่ค่อยสู้พอพาทํางานเพราะก็นึกห่วงหน้าห่วงหลังคิดถึงบ้านคิดถึงการปฏิบัติว่าจะได้อะไรก็ติดอารมณ์ไม่พอใจอาจารย์ว่าอาจารย์พาทํางานแล้วอีกคนหนึ่งกลับว่าโอ้อาจารย์ตั้งใจสอนการทำบาปทางานคือการสอนชนิดหนึ่งเหมือนกันไอ้คนนี้มีปัญญา ว่าไม่ถือเอาคําสอนเพียงคําพูดถื อ, อาการกระทําเป็นตัวอย่างเป็นคำสอนพระฤาษีทําสอนทั้งวันคือทําให้ดูนะั่นเป็นการสอ น, น, นหนึ่งเกิดความเลื่อมใสพระฤาษีพฤาษีภาทำอะไรทําำมดทุกอย่างไม่เห็นแกเนิตแกเหนื่อยปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยมองพระฤาษีต่างมุมกันมุมหนึ่งว่าพระฤาษีสอนน้อยแต่ว่าพาทํางานมากฉันไม่ได้มาทํางานฉันมาปฏิบัติอีกคนหนึ่งอนอ๋อฤาษีสอน ด้วยการทำให้ดู learning by doing ท่านพูดน้อยๆแต่ทำให้ดูมากคนนี้กับเลื่อมใส่พลุศีบูชาเขาลบพูลุศีใน่สุดพอครบเจ็ปีแล้วพลุศีก็เลยให้ใบประกาศศฏิบัติใบประกาศปฏิบัติคืออะไรคือเมล็ดพืชสองสองเมล็ดแต่ว่าท่านแต่งใส่ตลับอย่างดีเลยนะใส่ตลับอย่างดีใส่ให้เป็นตลับไอไปทีนี้คนที่ ไม่พอใจพลุสีว่าพลุสีพาทํางานสอนแค่นี้ใช่ก็ทำได้ไปถึงบ้านไปเปิดดูเห็นมเมล็ดงามเมล็ดเดียวหวุวยอะไรไปอยู่ตั้งเจ็ดปีได้เมล็ดงานเท่าชีตาเอามาทําไมเฟี้ยงทิ้งไปเลยนะไม่เอาฉันรู้มากกว่า น, นี้เสียจแล้วอีกคนนึงเอาไปเปิดดูโอ้ของดีของพลุสีประคับปะคอง เสร็จแล้วในวันรุ่งขึ้นก็ไปหาดินหาปุ๋ยหาอะไรมาเตรียมพร้อมเอามาได้นันลงดินแล้วคอยธนุถนอมให้น้ำใส่ปุ๋ยพ่นดินไม่นานตนงาตอนนั้นก็งอกขึ้นแต่ตอนจากพระฤาษีไปพประฤาษีบอกว่าอีกเจ็ปีเธอทั้งสองคนกลับมาหาหลวงพ่ออีกนะจะได้พิสูจน์ว่าไอ้สิ่งที่ให้ไปในเธอเวาทํทำอย่างไรปรากฏดู อ, อ, อนักศึกษาที่ว่าเอาเม็ด นี่ไปเห็นเป็นเวทงาแล้วโอ้กากไหวบูชายังไม่พอเอาไปลงดินก็เกิดขึ้นไม่นานเป็นต้นงาต้นงาต้นนั้นพอปลูกขึ้นดูแลเอาใจใส่เป็นต้นงางามสะพรั่งมากต้นเดียวนะพอถึงห <c oughs> นะ้ามันเม็ดมันแก่เขามาต่อยต่อยได้ได <c oughs> ในเม็ดออกมาสักกำมือเนี่ยนะนะเอาปีต่อไปเขาก็ขยายแปลงแทนที่จะไปอยู่ในบล็อกอันเดียวนะเขาขยายแปลงเอาเม็ดงาในนั้นเอาหวาน ก็ได้อีกแปลงหนึ่งพอแปลงก็ย้ายปลูกมาห่างกันหลังจากที่มันเป็นต้นกล้าก็ย้ายปลูกต้น ง, งาก็เติบโตสูงปรากฏ ว, ว่าพอถึงปีมันแก่จัดดีแล้วเนี่ยเอามาต่อย <c oughs> ได้มเมริดงาอีกหลายธนานหลายกระป๋องกันเถอเอาทีนี้ในปีต่อมามันไม่ใช่พื้นที่แค่ 3, สามคูนห้าเลล์เนี่ยลขยายออกไปเป็นเกือบไร่หนึ่ง อพอเก็บผลผลิตออกมาได้หลายกระบุงได้หลายถังก็เริ่มมีการขายเกิดขึ้นแล้วทีเนี้เก็บไว้เป็นเชื้อทีนี้เศรษฐีคนข้างบ้านคอยสังเกตไอ้หนุ่มคนเนี้ยว่าเออมันปลูกงาตอนแรกมันปลูกต้นเดียวตอนนี้มันปลูกแปลงหนึ่งต้นนี้มันปลูกเป็นไรเลยเนี่ยโอ้ไอ้คนนี้คนจริงขยันก็เลยเข้าไปท้าทามไอ้หนุ่มที่ของเือก็มีอยู่แค่เนี้ยอ่าถ้าหากว่าจะไปทำต่อไปไอ้เม็ดงามันต้องเยอะเนี่ย ที่ของเธอที่มีอยู่ไม่พอนะที่ของพ่อหลายเยอะแยะเลยหลายร้อยไร่ถ้าไอ้หนุ่มถ้าเธอจะทนะํานาะที่ของพ่อให้ทางฟรีเลยไม่ต้องเช่าเพราะว่าเศรษฐีนี่วิลูกสาวเล็งไว้แล้วว่าจะต้องหาลูกเคยที่มันมีคุณสุวรสดแบบนี้ใช่ไหม <laughs> <laughs> เขาก็เขา้าไปทําตามตั้งแต่แรกในปีต่อมาเขาก็ใส่กันเป็นหลายไร่ผลผลิตออกมาก็จะเป็นเกวียนเป็นเกวียนก็นการขายเป็นการค้าที่ร่ำรวยขึ้นพอครบปีที่เจ็ด เศรษฐีก็บอกว่าพ่อยกที่นี้ให้ทำเต็มที่เลยแต่ว่าเขาฝากลูกสาวให้ดูแลด้วยนะพ่อก็ไม่นานพ่อก็จะต้องอไปตามอาอยุสังขารพ่อมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเขาฝากดูแลด้วยก็แต่งงานให้เศรษฐีเนื่องจากเขามีการค้าการขายได้เงินมาเอาเงินไปซื้อเพชรซื้อพลอยซื้อทองคำเอาไว้จนถึงปีที่เจ็ดก็ พระฤาษีบอให้ไปตามนะั้นทีนี้คนคนนั้นที่เอามเมล็ดพืชมาเฟี่ยงทิ้งจากนั้นมาก็คบเผื่อนกินเหล้ามเมลเดกินเมล็ดไปตามเรื่องเพราะว่าเป็นบาปตรงที่ไปอยู่กับพระฤาษีแล้วไปดูถูกพระฤาษีแล้วไปปฏิฆากับพระฤาษีก็กลายเป็นบาปเป็นกรรมในที่สุดก็กลายเป็นคนเกยเมลเกยเลยแต่ว่าด้วยความพระฤาษีสั่งเอาไว้ต้องไปในที่สุดเขาทั้งสองเข้าไปพบพระฤาษี แต่ว่าคนเนี่ยคนที่ว่ามาทำเอาเมล็ดพืชมาเพาะเนี่ยกับเอาเพชรดินจินดาใส่ได้ตลับเข้าไปแทนเอาไปถวายพระฤาษีพอไปสองคนไปพบพระฤาษีพระฤาษีก็ถามหาตลับถามคนที่ ไอ้ไม่เคารพก่อนว่าจะลับเธอไปไหนโอ้ผมเฟี้ยงทิ้งไปตั้งแต่วันแรกเราอยู่ที่ไหนไม่รู้ตอนนี้เจ็ดปีมันหายไปไหนไม่รู้อย่างงทิง้งเอาทำไมทิ้ก็มเมล็ดงามเม็ดเดียวหลวงพ่อผมหาที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นเอาของหลวงพ่อไปเออเนี่เธอถึงเป็นอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงผมก็ป่วยก็โูกกินเหล้าเมาโบเพื่อนผลเป็นยังไงแล้วเธอเอามาก็สมมุติว่าตจดีกับใจอยู่ใจอยู่นี่ก็เลยเอาผมเอ า, มาเมล็ด งานของหลวงพ่อไปพ่อไปปลูกขยายพันธุ์มาเจ็ดปีผมก็เลยซื้ อ, อเพชรชื้อทองเก็บหอมรอมริบแล้วมาถวายแทดทดแทนบุญคุณหลวงพ่อก็เาอาตลับนั้นออกมาแล้วถวายพอฤาษีเปิดดูเป็นเพชรดินจตดาทองคําไอ้เพื่อนที่นั้นก็บอกโอ้ไอ้ตอนให้ผมไปในเวทงานไม่เดียวแต่หลวงพ่อให้คนคนนี้ไปมันมีทั้งเงินทองอะ่ะหลวงพ่อไม่ไม่อยุติธรรมหลวงพ่อมีอาคติี่ใส่หลวงพ่อเขาพี่ นี่เห็นไ้ถ้าคนมันมีอคติต่อกัน้มันมองอะไรผิดหมดใช่ไหมเป็นวิชาริสติพอเป็นอย่างนี้ก็ฤาษีก็เลยบอกว่านี่เธอการที่พวกเธอมาศึกษากับฉันนี่นะก็คือมาศึกษาจากการพูดการทำการคิดไม่ใช่มาศึกษาจากคาพูดของฉันเท่านั้นฉันมีการกระทำฉันมีความคิดฉันก็สอนทุกอย่างตามที่ฉันมี คนนี้ที่ให้ไปก็ให้มเมล็ดงานจากเหมือนกับเธอนั่นแหละแต่เขาเอาไปลงทุนไปค้าไปขายจนได้เพี้ยินจินทามาให้ไม่ได้หมายว่าหลวงพ่อเอาเพี้ยนินจินทาให้เขาตั้งแต่วันแรกหลวงพ่อก็ให้เมล็ดงานเหมือนอย่างเธอได้ไปนั่นแหละก็อธิบายขอตก น, น, นั้นเราจะเห็นว่านี่คือความแยบคายของคนสองคนต่างกันคนหนึ่งนั้นเอาไปไม่เห็นประโยชน์เพราะไม่เคารพอาจารย์แต่คนหนึ่งเคารพในอาจารย์แม้แต่คาพูดของอาจารย์กันก็นเอาไปแปรให้เป็นประโยชน์หมดเลย เขาก็ได้สิ่งนั้นไปถึงแม้ว่าเรื่องนี้เป็นนิทานแต่ว่ามีคติที่เตือนใจว่าการทําใจให้ถูกตั้งจิตไว้ถูกเป็นเรื่องสําคัญต่อกรารยาณมิตรต่ อ, อเพื่อนสายธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญท่านใช้ก็ว่าสัมมาปนิหิตะคือตั้งจิตไว้ถูกในทุกสถานการณ์นั้นเหมือนเรามีมิตรอยู่ทุกขนทุกแหง่งแต่ถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกมิจฉาปนิหิตะถ้าเราไปที่ไหนถึงไปพบมิตรดีก็เหมือนศัตรู เพราะตัวศัตรูที่แท้จริงก็คือความตั้งจิตไว้ผิดของเรานั่นเองพุทธเจ้าสรุปตรงนี้นั้นแ้นเราจะเห็นว่าในจุดการปฏิบัติก็เหมือนกันเราตั้งจิตให้ถูกต่อสิ่งที่เราได้รับตั้งจิตให้ถูกต่อการกระทาโดยเฉพาะความแยบคายนะเราก็จะทำให้เกิดตัวปัญญาของเราเองดังนั้นเราต้องพัฒนาอันไหนที่เราว่าดีว่าถูกต้องพิสูจน์ ไม่เช่ว่าเชื่อนะพิสูจ์ดูใช่หรือเปล่าไอ้ที่ว่าการเคลื่อนไหวมันดีอย่างไรการนิ่งเฉยเฉยมันดีต้องพิสูจน์จนเห็นนั้นโดยชัดเจนแต่เห็นผลไม่ชัดก็ต้องถามท่านผู้รู้บางทีสติปัญญาเราไม่พอที่จะเห็นว่าชัดลึกแล้วมันเป็นอย่างไรเราก็จะมีการฟังมีการศึกษาใช้ปัญญาทั้งสามระดับของเราปัญญาระดับที่เป็นสุตตามญาปัญญาปัญญาระดับที่เป็นจินตามยาปัญญาปัญญาที่พิจารณา แล้วปัญญาระดับภาวนามันจะปัญญาปัญญาลงมือทำนะดังนั้นในวันนี้เรามาวิเคราะห์ถึงตัวบทในเรื่องของอิยาปฐปะภะและสัมปชัญปะาปะานะแต่เวลาคงไม่พอที่จะเข้าไปถึงบทที่ท่านส่วนต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของอาการสามจุดสองหรือทาสี่แต่ว่าจะใช้ในการวิเคราะห์ในวันต่อไปนะชนะงเชาวนี้ก็ควุพัฒนาสาธุนกา ร, รตั้งใจศึกษา เพื่อเราที่จะได้ก้าวหน้าในการปฏิบัติในช่วงเจดวันถึงสิวันนี้ด้วยการทุกคนทุกท่าน